พระอราหารนันต์จะทำอะไรก็ไม่ได้กระดุกกระดิกก็ไม่ได้วันๆต้องนั่งเชื่องเชื่องเหมือนนกกระยางรอให้ปลามาใกล้ๆจะได้ฉกเอาเนะชื่องเชืงห้ามกระดุกกระดิกพระอราหันต์จริงๆก็คือท่านผู้ภาวนาจนมีปัญญานะ <S <S เห็นทุกข์ <S <S เห็นโทษของขันน่ะขันห้าเป็นทุกข์ <S <S เห็นอย่างนี้แล้วท่านปล่อยวางความยึดถือขันได้จิตท่านแยกออกจาออกขันพรากออกจากขันไม่ยึดถือขัน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 พอได้ยินอย่างนี้นะเลยพยายามทำลายผู้รู้ทั้งๆ ท, ที่ผู้รู้ยังไม่มีเลยนะมีแต่ผู้หลงนะแต่หาทางทำลายผู้รู้สติแตกสินะตอนนี้อย่าเพิ่งทำลายผู้รู้นะไม่ใช่เวลาทำลายผู้รู้เอาไว้ได้พระอนาคาขขก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องทำลายผู้รู้นะตอนนี้เรายัางไม่ได้เราก็ยังไม่ทำลายเราต้องมีผู้รู้ไว้ก่อน Granny สังเกตไหมเดี๋ยว <possono S 1> จิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็โลภอะไรเงี้ยใครรู้สึกไปเรื่อะ